ทำอะไรก็ตามไปถูกไปผิดน้ำผิดน้ำถูกได้ต้องมีการสื่อสารกันว่าเพื่อช่วยให้กลองตัวสะดวกในการไปทางไหนทิศทางใดเรามีทางเดินของชีวิตทางเดินของจิตใจทางเดินของร่างกายที่เป็นปรูปธรรมเป็นนมามธรรมก็เรื่งช่วยบ้างเราช่วยเรวเงด้วยนำกันไป นำพากันไปที่รูสองน่องรูหนึ่งช่วยกันผลส่งให้พ้นจากปัญหาต่างๆตร า, ามวัดก็มีการนำกันนำธารมวัดเพื่อให้เปนหลักเอาพอสูตรมาสาธยายํดำดับให้ดีใช้เสียงให้พอเหมาะพอดีนำพาทางเย็นๆถ้าขึ้นเสียงเล็กน้อยกันไปมันเสียงขึ้เครียด คนเครื่งเครียดบา่างใช่เสียงน้อยๆให้เ ย, ย็นพยายำนาเสียงให้คนได้เย็นด้วยก็บทสวดต่างๆให้จังหวะพอดีพอดีอดลําดับให้ดีเตรียมตัวให้ดีเพราะเราจะต้องนําถ้าผู้นําดีนําให้เลิกส ง, ง, กงกครามก็ได้ดยอยางคนเดกเป็นติรศูนย์นารณสมัยกบินิษเอาคนเด็กเป็นการนายกท่านมัติ ผู้จิญเย็ดคนอยู่ป่าได้เย็นสื่อสารได้เย็นชวนร่วมพัฒนาชาติไทยคนอยู่ในป่าเข้ามามอบตัวหมดเลยถ้าเอามันเลยลบตอนนั้นตั้งแม่ทับตอนนี้ก็ลบกันตลอดเวลาเสียงเย็นเย็นจากนายกเป็นเสียงเย็นเย็จากผู้นําประเทศให้ต้นเสียงให้ดีๆบิเยวาจ่าให้ชัดเจนแต่ก็เย็นลงได้ กองล่อนกางกายไปบอกให้ลบก็ลบได้บอกให้หยุดก็หยุดได้ท้าบนายกองมีจิตติภียาสร้างสรรค์อย่างสมัยสงครามหินล่องกล้าปูขี้เท่าทหารป่าล้อมทหารบ้านออกไปได้นม้จะกินข้าวจะน้่งอยู่หลายวันยิงโคหัว ข, ขึ้นที่ใดเขายิงอยู่ใกล้ๆกันก็ต้องปิดล้อมไปหลวงก็เอาพี่เครื่อง บินเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปเหนือท้องฟ้าด้านทิศใต้ทา้งลมสักอากาศทางลมพงอยู่บนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ว่าไอ้ลวมอยู่ทางนี้ทางทิศใต้นี้ตั้งให้ใจตำรวจนะไอ้ออกมาทางนี้ทางนี้ทหารตำรวจจิตพื้นที่ได้หมดแล้วให้พากันตีออกมาทางนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยเราก็ขึ้นไปไม่ได้ทางนี้ก็ล้อมไว้ ผอก อ, อยตรงกลางมันก็ไปไม่ได้แล้วแตีทางนี้อหานที่ลบอยู่ก็มีกําลังใจขึ้นมาดัทางทั้งที่ไม่มีใครไปร่อมที่ตรงนั้นเลยพอผอที่ร้อมอยู่เอา้ามันล่อมเราหมดเลยเนี่ยเราตรงกลางเลยเพนนี้ไปเลยไม่ต้องเลยลบเลยทหารป่าตํารวงก็ออกมาได้ใช่จิตตวิทยาก็นําทั้งเสียงต่างๆให้มันเป็น พนภัยไดะคนโกรธใช้เสียงโกรธออกไปหายโกรธได้พระเจ้าใช่หลักนี้นเรียกว่าโกจนายาเสียงพอดีพอดีแม่แต่พร่าด่าํำนา ห, หัวุ้้นเกิดเป็นวันไหนก็มาขอแต่เข้าขอจินก็มาหาจินเลยเลยที่นี่เขามาให้ดอกไปเจ้าดูอนพรา่าเหมอ เราก็ทำนาเหมือนกันนาโกหกหรืออามก็เข่งเคียดขึ้นมาไม่เห็นมีนาที่ไหนไม่เห็นมีข้าวปลูกข้าวพันไม่เห็นมีคาดในไถเดืกกองรามเราก็ไม่นามีคาดไม่ไถมีข้าวปลูกข้าวพันมีวิธีทํานาของเราไม้ของท่านอยู่ที่ไหนแต่ี่ได้อุมบัติมาขอ เขาอยู่เชนนี้ตลอดออเดี๋ยวก่อนครับเย็นไหมไงตอนข้างเขด่ามาแล้วไม่ดา่าตอบนาของเราคือศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาทําดีว่าได้ดีทำชั่วได้ชั่ ว, วเราก็รักความชั่วเราก็ทำควาดีมีศรัทธาไปทอดถอยไปอดไม่อยากเหมือนนาของเรา เพือเพียรที่เราพยายามละความชั่วทำความดีเหมือนน้ำฝนเต็มทุ่งเต็มท่าเรามีสติมีสมาธิมั่นคงทำจึงใดไม่งอนแย่นกอดแขงไม่หวั่นไหวเหมือนคาดเหมือนไถเราเอาวิสติสมัมปชัญญะเหมือนเข้าปลูกข้าวันหวานลงไปอั่เนื้อหาที่คาดไถแล้ว ก็มีปัญญาเขาจะไขน้ำเข้าปล่อยน้ำออกเวลามันท่วมก็ไขน้ำออกเวลามันแห้งก็เอาน้ำเข้ามาหมายถึงความภาคเพียรความวิจยะสอดส่องดูเสมออะไรผิดอะไรถูกเราได้ผลคือมรรคผลนิพพานเมื่อกินไปแล้วไม่แ็่ไม่เจ็บไม่ตายเลย นาของพรามมีข้าวได้ข้าวมากินแล้วยังแกลี่ยังเก็บยังตายพรามเอ้ยพรามจะด่าไดนะ้ไหมดา่าวโอ้พรามวางไปกวดตันทีเดินมาหาอะอะไรนะนาอย่างไงไม่แก่ไม่เก็บไมงตายแล้วรับบาดขึ้นบนบ้านไปเลยให้ลูกให้เมียมาวังเรื่องนี้เลยเอาข้าวเจ็บบาด เอาไว้ตนเป็นบาจุวาิกามีสำนากทิติเกิดขึ้นอันนี้เพราะเสียงพูดอันเรานำกันทั้งส่งเสียงเราไม่สอนตรงๆแต่ว่าเราใช้เสียงนำกันไปหลายอย่างที่เราจะช่วยคนช่วยตัวเองความคิดเหมือนกันเราช่วยคนอื่นเราช่วยตัวเองอย่ามีปริพภทาควากังวลใดๆ ไอ้เรื่องการใช้ชีวิตกายบริโภคอย่าให้มีแม่เจ็บใข้ได้ป่วยเขียนตายก็ไม่ต้องบริโภคกับร่างกายมันเป็นคนละเรื่องกักบจิตใจใจยังมั่นคงเสมออย่ามีกายบริโภคเกี่ยวข้องขัดขวางยุ่งยากไปกับอาการของกายต่างๆอย่าให้มีปล่อยวางไปจิตแต่บริโภคบริโภคทางจิตใจคิดข้องแว่ว ลักความชังการยินดียินไายการพอใจการไม่พอใจย่อยู่ตรงนั้นปลดปล่อยออกป่อยด้วยจิตบริโภทธญาติบริพุทธห่วงลูกของร้อนห่วงพี่ห่งนอง้องห่วงอะไรต่างๆสับถิ่นชะเดงคานก็นั่นดีคนนี้ไม่ดีคนนั่นทาชั่วคนนี้เขาเปรียบเขาเรียบยาไปชิดแต่ดันมันติดขัดเหมือนห่วงเหมือนเชือกผูกข้องเอาไว้ จะให้มีญาติบริโภธ์อบาธิบริโภธ์แม้แต่มีจิตตัหาที่เกิดขึ้นมาย้อมจิตใจเราก็ให้พ้นไปปล่อยวางเอาอย่างพระอารหันต์ทั้งหลายเอาอย่างคนดีทั้งหลายอย่าไปคิดส่วนตัวส่วนตัวเกินไปให้วางวางงองไกลๆมองออกไปดูโลกที่เป็นมาแล้วอย่างใหญ่ ที่เป็นไปยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเสนอตัวเราให้เอาอย่างกคนอื่นแล้วมาน้อมมาใส่เราโมนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ท ำ, ำารรมฐารด้วยไม่ใช่จะมานั่งทําต่อหน้าต่อตาทีละครั้งมานั่งทำความเปลียนสร้างจังหวะอันนั้นไม่เป็นพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ก็ขวงกันได้ห้าจะเราสวดเอาดีกับการสวด ก็มาใช่เสมอไปการสวดที่เป็นการสอนตัวเราทำสมาธิไปในตัวมีปัญญาไปในตัวหายใจเข้าหายใจออกไปในตัวสิ่งทีเราสวดก็ได้บทเรียนไปในตัวได้ผลยอยๆการสวดเนี่ยให้ผู้ตามเกือขนให้ผู้นำบางจังหวะจะโคนพี่จะขั้นตอนต่างๆเวลาเราสวด บทที่เราสวดจนจบจะให้มีความเห็นส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเอาแต่ภาษาที่เราสวดตรงๆก็พอ เ, เลยเตือยมตัวไหว้พระพร้อมแล้วกลับให้มันพอดีถ้าเตรียมตัวไหว้พระประมาณสองสามนาทีพร้อมแล้วกววลักบมันก็เกิดขึ้นบางคนพอเตรียมตัวไห ว, ว้พระเราก็พร้แล้วมันไหวพ่พอดีพอดีจังหวะที่นั่งอยู่คุกเข่ากันเพร้อมแล้วกลับ กลาคำเดียวอันสองก็กราบกราบอย่างนี้ไม่ดีเพราะคนต่างเนอร์จะเก้อเขินเวลาไปที่ใดไม่เป็นสากรมันก็มีอยู่แล้วกราบนี่อัญเชลีวันธาอภิวาสมีอยู่ทุกคนพอดีอัญเชลีประเมวันธายกขึ้นเหนือคิ้วอภิวาสกราบเราทำในใจอยู่แล้วไม่ต้องบอกรบกราบกราบอย่างนี้ไม่ต้องว่าเหมือนเื่อง อ่าสอนคอไก่กันอยู่เสมอแล้วคนที่ตามก็บางทีไม่พร้อถ้าเราว่าอัญเชลีวันทาอภิวาหลงพร้อมมันพร้อมกันเวลากราบลงพุทโธเปนอาโถขึ้นพอดีกราบครั้งที่สองธรมโมเป็นาโถขึ้นพอดีมันว่าอยู่แล้วกราบครั้งที่สามสังโฆมปนาโถขึ้นแล้วพร้อมกันอยู่แล้วถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนมาอย่าไปสอนคอไก่กันตลอดเวลา ให้เขาได้คลองตัวเป็นหลักสาคนูฤฤฤนเวลาบทใดบทใดพยายามลําดับให้ดีอย่าให้เขืขินเขอเราจะต้องนําแล้วให้หัดเป็นผู้ดำให้ได้อย่าเป็นผู้ตามเขาจะมาไปแล้วนําอย่างดีตังเสียงว่าอย่างดีจังบะก็พอดีแบบจบก็พอดีจะจบตรงไหนหลักสาคูนว่ายัางไงเอาตรงไหนที่เหมาะพอได้บางทีก็ไม่ต้องแต่ไม่ตาก็แล้ว แต่ถ้าไปแผ่แว่ตาต้องเป็นบทส่วนน้ําจบเราก็จบกันเลยวางที่บททําสมาธิทําสมาธิก็าจบธรรมัะอย่ยงเท่านี้จบธรร ม, มชาวยังเท่านี้ก็บอกเอาถ้าว่าจบแล้วทุกคนก็จะนั่งวางมาือไหว้บนตักทำช่วงสงบไม่สติเวลาพอทุกคนเล็กน้อยอย่าให้นานกันไปอย่าให้ตรงนี้นานกันไปไม่เอาจริงเท่านี้ ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องจริงจังเป็นพิธีกรรเพื่อให้เราเลยสงบนิดหน่อยแล้วก็อันเพยเมตาก็ว่ากันเลยว่ากันเลยเตียงตั้งใจเพรเพมตตา้วยการอสัปปทังหลายจงยมีจงยาบีปังกังซาตูสเพสตาไม่ได้แต่ว่าไปเลยขอท้องสงบเลาว่าขึ้นเลยพวกน้องสเปสัสตาว่ากันเลยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องใช่ในผลตรงนี้ไม่ต้องใช่เหตุผลตรงนี้ แต่เพจัตตาสัตทั้งหลายล้วก็จบพอดีถ้าไปจบลงตอนตัวน้ํานี่ยจะต่อตอนตัวน้างตอนหลังแผ่เมตตาก็ไม่ถูกหอีกพอแผ่เมตตาก็จบบทที่จบสวยๆมา ม, มีหลายบทบางพิยาสังขารเนี่ยก็จบได้ปัจเิมโอวาสก็จบลงได้ถ้าปัจเิมโอวาสแล้วก็ให้มันจบตรง น, นั้นจ้าเพราะมันโอวาสขั้งสุดท้ายอยามไม่ตออ่อไป ก็ลงตรงนั้นได้ตรวจน้ําก็ลงได้ตอนเช้าตอนเย็นลงได้ไม่ต้องแผ่แว่ตาคนละถ้าตรวจน้ําแล้วอย่างที่ท่านตะกอน น, น้ำถ้าตรวจน้ําแล้วประทับต้องแผ่แว่ตาแต่ว่าถ้าทําสมาธิแล้วตรวจน้ํา ม, มาหันทั้งไปยังก็ไม่เหมา ะ, ะเลยถ้าจะจบทำวัดต่อไปเลยตรวจน้ําจบแล้วก็ตอนสมาธิเล็กหน่อยก็กลับเลยจะมีสองขัง้นสองตอนพอทำสมาธิแล้วแทนที่จะ แผเมตตาก็กลายเป็นการตรวจน้ําไปมันก็เลยกระจุยกระจายไปะัะให้มันพอดีลงแผ่เมตตากระจบหรือทำสมาธิแล้วแผ่เมตตาทําสมาธิแล้วตรวจน้ำเขาได้แต่ว่าไม่ค่อยสากลเท่าไหร่เพราะถ้าไปสังขายาโยเรามากักแวา่าผิดว่าตอนตอนเย็น่ะต้องหลังอาหารแล้วว่าอาจมญ า, าปัจเบกิตวาวามัใช่ปาไปสังขโยตอนเย็น ไม่ใช่ว่าไปสังขยาในโซเบนตาปาตังไมใช่ไปสังขยาตอนเช้าก่อนบริโภคอา่าบริโภคแล้วตอนเย็นอาจัมราเหมือนอันนี้เราบางทีเราก็ น, นากันไปปิด ต, ตาพอมาเข้าจัดเจนถ้าผู้ที่ลู่อดตังดาก็หาดเป็นผู้นำเสมกับหลวงพ่อกรมจะไม่นาแล้วเพราะว่าผู้เท่าผูเ้เจไม่เหมาะ ให้ผู้หนุ่มนำไปดีกว่าเพราะฉะนั้นก็พัะตาตัวเองให้จะได้ให้เหมาะสมไม่เ ค, เคือเกินเพราะอยู่ที่ใดทางใดเป็นสิทธิของเราให้มั่นใจอย่าไปเกรงกลัวใครแต่ว่าผิดว่าถูกวังที่เลาะกันนะการ น, นำคำวัดวนบอนเนี่ยนี่ภาคกับโยมะเลาะกันไล่กันหนีจากวัดพอเจ้าวาดไปตามวัด ไปนำไปนำไปอ้าวยอมข้างหลังไม่ตามเลยไปคนรบทไปเลยเพราะว่าพอใจเพราะนําไม่ถูกพระก็นําไม่ถูกว่า อ, อะไรแต่พิเตอร์ไปยวมบงคนเขาก็รู้น้ำผิดไปเขาไม่ตามเพราะพอขอไม่ตาม่มามวยกันเจ้ว่าเฉยไปคนเดียวชมไม่ไปเลยไปเถียงกันขึ้นหนาเที่ยงว่าเจ็ดไล่กันหนีใจวัดผมต้องไปงับอธิกรเรื่องนี้ ปันตางมีปันเตสับตังอพราตังกรรมตาเม่เตมยากะตังคนญจังจมหังสาม่กิดาจุมวนาปโปเพื่อโลก ป, ปองพระว่ า, ไ ป, าไปทางั้นยมว่าไปทางไหนมันการละเะทศะต่างกันมันก็อะไรผิดอะไรถูกตามสมมติบัญญัติบ้านก็นี่มีมาแล้วบ้านนอยุงที่นั่นเป็นสถานที่ผมปกครองต่ำก น, นั้นต่างไปแล้วครับอธิกรารก็เลย ใช่นี่ก็ผิดกันนะ่ะนำทวารเฉยๆ <laughs> ต้องให้ชัดเจนอย่าเอาอะไรที่มันส่วนตัวส่วนตัวมันมีหลักสาคัญมันพิธีกรรมต่างๆมพิธีกรรมต่างๆมีหลักสาคัญในชีวิตเราก็มีหลักสาคัญความคิดผิดไม่ใช่สาคัญเป็นส่วนตัวความโกรธความพยายาทก็มไม่ใช่ไม่ใช่สาคัญเลความไม่โกรธเป็นสาคัญความไม่ทุกข์เป็นสาคัญมีสติเป็นสาคัญความหลงไม่เป็นสาคัญ เท่าข้างความเป็สาคลในได้ชีวิตเราก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะก็สอนตัวเราเอาวันทุกข์ใช่ไม่ได้แล้วหมกมุ่นคนคิดอะไรควบคุมไม่ได้หรือด่าเลยเวลานอนอาเรื่องมาคิดเอ้าไม่ใช่ควบคุมลเลยสอนตัวเราโอ้ยสะดวกสนานดีการสอนตัวเองนะมีไหมเวลามาคิดตอนนอนอ่ะแม่ต้องทาด่าตัวเองไหม ใช่ไม่ได้น่ะแก เ, เท่าเร้วมันแกพ้อยู่นานเลยเนี่ยต้องแกเพราะความรู้ไว้ใช่อยู่นานนะดาแต่องอะไรอาณาเนพ่อคนแม่คนหรอมาเป็นอ่งนี้แหละมันเด็กๆตั้งเน่ะเขเรีขยดด้วยเครียดเขรียดแรงนะขนาบแล้วไม่มีขา่าวอย่าล่วงเกินเราหลงนี่ก็ถือว่าล่วงเกินพระพุทธเจ้านะเราเอาทุกก็ถือว่าล่วงเกินพระเจ้าเราโกรธ ถ, ถือว่าล่วงเกินพระเจ้า ราหมกมุ่นคุณคิดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องเป็นนักบวชไปชิดการบ้านกันมาเข้ามาฉาเหมือนกับเซนสอนกันอาจารย์กับลูกศิษย์เดินทวดดงไปด้วยกันพอไปถึงป่าแน่นน้อยอุย้ยอาจารย์ป่านี่ทําไมเงียบสงัดดีในน้ำไหลหน่าจะเป็นที่ําเพ็ญสมาธิดีเนาแต่ก่อนอาจารย์ให้แน่น้อยหลายบาทอาจารย์ก็เลย ขอพายบาดกับแน้อยออกมาแน่นอนวะพหยบาเราจะพายเเน้น้อยก็ไม่ก็้าให้พายออมาเราจะพายเองพายบาดกับเรนอาจารย์พายเรนก็เป็นทุ่งโถ่งต่งงางเป็นนองซุ้มซับเหมือนกับจะทํานาทำไรดีแต่ว่าไม่มีเจ้าขอ ง, เ ป, งเป็นทุ่งเป็นที่โล่งโล ง, ลงต้นบ่อยสูงสูงเหมือนบ้นานน้องแจใส่ก่อนกป็นเรื่องควายโทมก็เรียกว่าโทมไล่ควายข้ามโทมเนี่ มันล่มต้องขี่ควายป่าหญ้าคมเปล่าก็าเดินมาได้หญ้าคมเปล่ามันบาดต้องขี่หลังควายหรือ ว, ว่าโคม <S <S เดินน้อยไปเห็นตัว น, นั้นอุ้ยอาจารย์ที่นี่นายาทำนาตั้งบ้านเดินดีน้ออาจารย์เลยอ๋อไฟบาทเน่ยให้เดินไฟบาดเถอะนี่เซนแงน่ที่ทำไมาอาจารย์ให้เอาไฟบาทเมื่อนี้เมื่อก่อนไม่อาจารย์มาพาบาทจา้ะมันเรื่องอะไรนาะเดนน้อยคิดยัง อที่เรนคิดว่าเออนี่น่าจะทําสมาธิดีมันเป็นจิตของพระมันเป็นจิตของพระเกิดขึ้นแล้วถ้าคิดว่าเออทําสมาธิปั่มเพนเพนบา่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นแล้วเป็นพุท ธ, ธแล้วคนเราควรเคารพเอาควรเคารพจิตประเบบ น, นี้อาจารย์เลยพายว่าจังไงเคารพความคิดแบบนี้อยู่ในเงเินแค่เนินเน้อยๆก็ถือว่าอาจารย์แล้วคิดอย่างนั้น เมื่อเน้นคิดว่าเออนี่ยทั้งบ้านตั้งเรือนขอมันเป็นคารวาดแล้วนะ อ, อ๋อเนินพาดปะนี่นเรียกว่าเซนนะเน้นบรรลุทําได้น่ะไปคิดอะดไรนะขนาดเอาจิตไปเพศดิ้งปัดไม่คิดแบบนั้นแล้ ว, ลวก็เลยเ อ, อ่าเนี่ยเนการเราเขาเหมือนกันถ้าเราสอนเราเด็ดเวลามันถูกโอ้ยอง่โล่ง ม, มันมี อะไรมองอะไรตะลุตะลวงว่าความทุกข์ความโกรธนิดเดียบางทีนิดเียหน่อยก็โกรธจะปิดจับถูกอะไรโขกโ<อ>เราก็ตามมันนีไปะอย่าตามมันไปหัดสอนตัวเราสอนตัวเราดีกว่าคนเหมือนสอนได้ประโยชน์มากทีเดียวมันช่วยกันตรงนี้พวกเราแม่เห็นใครทาผิดทาถูกพ่อพ่อก็ให้มันเป็นเรื่อง สอนตัวเราการทำดีก็เป็นเรื่องสอนตัวเรามันมีอยู่เสมุอในโลกนี้ในตัวเราก็มีในตัวเราก็มีอย่างพระพเจ้าก่อนตัดสู้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นในกับพระพุทธเจ้าของเรามารกิเลสปังงานขันธ์งานสังขารมารเทวตธาร ม, ม, มัรจุมมารต้องผ่านมารมากไปเดียว อยู่คนเดียวมันมั่นหลายมันที่เกิดขึ้นขณะความเด็นดังคิดมันเป็นมานเกิดขึ้นทําให้เราหลงทิศหลงทางได้จากความคิดของเราเองที่ป่งปุ่ ง, งแต่งแต่งขึ้นมาเนี่ยเราต้องทํำอะไรอันอย่าไปหงอยเราเราอยู่นี่แล้วถ้าพระก็อมมือรูปหัวดูหงอโลนแล้วผ่มผ้าจีวรแล้วเราอยู่ในภาพแบบนี้แล้ว ถ้าเป็นโยมก็เรามานั่งอยู่นี่แล้วว่าอยู่ในวัดวาอารามแล้วไม่มีบ้านไม่เรือนแล้วก็อเอาเต็มที่อย่าไปห่วงว่าชิดห่วงลูกกองร้านห้องบ้านห่วงเรือนอะไรอย่าไปคิดเราเป็นคนดีเราเป็นคนไปดีเราทำไว้ทิ้งที่กว้า ง, ง, งๆอย่าไปคิดเรื่องความบามเพนจิตเรื่องใหญ่ที่สุดเราทำดีอยู่ขนาดนี้เรามาเป็นพระขนาดนี้ อะไรมาเกิดขึ้นขณนะที่เรามานี่ถ้าเรามีปัญญาสามีมีลูกเป็นหลานเขาก็โอ้พ่อเราไปบวชเป็นพระสามีเราไปบวชเป็นพระน้องเราไปบวชเป็นพระพี่เราไปบวชเป็นพระลูกเราไปบวชเป็นพระมันคิดตรงนี้มันก็มีอะไรที่มันไปจนได้เหมือนกันถ้าเราไปทําวันเดินเขาอาจจะคิดไปแบบถ้าเรามาบวชโอ้ เบื้องหลังมาจะดีอย่าไปหว่วงเขาอาเราหว่วงเขาเขาอาจจะโมทนากับเราแต่เราหลงไปหว่วงเขาเจอเขาออาโมทนากับเราด้วยแม้มีปัญหาต่างๆก็ยังภูมิใจยังโผงใจว่าเราไม่ใช่เป็นไอไปปฏิบัติธรรมไปอวัตถุมีคนจับสนุนเรื่องนี้กันเยอะอย่างที่นี้เราสร้างให้เรามาอยู่ เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้ละความชั่วให้จิตใจบริสุทธิ์คนท้วยชางเขาก็ได้บุญเพราะที่นี่ทำให้คนเป็นคนดีมันก็มีเหมือนกันนะสถานที่บางแห่งมันทำให้เราเกลี่ยนแปลงชีวิตได้เช่นในพุทธกานสังเวชนีสถานสีแห่งควรจะปล่อย คนระบุตรกุรที่เราพูดเกิดสุดท้ายไปหลังควรเทีไปเห็นสังเวชิษฐานสีแห่งนี้จะได้สำนึกอะไรขึ้นมาในใจควรเทียบไปมันต่างกันกันกบที่เราศึกษาเราเรียนรู้เพราะว่าไปลองพ่อไปดูนี่โอ้ก็ดูง่ายหกรอบแล้วยังไม่อีบไม่พอเลยเช่นใจไนปะเห็นล่องรอยของพระชาติจดาของเรานะ่ะ ก็บอกเลยว่าแต่นี่ไปคําว่าไม่ไหวจะไม่พูดไอ้ทั้งคำอันความยุกยากแก่การทํางานพระศาสนาสร้างวัดสร้างว่าสอนผู้สอนคนเราทั้งใจสอนเขาดีเขาก็ด่าเราก็แม่ไม่ไหวไม่ไหวคําพูดว่าไม่ไหวจะไม่พูดอีกเลยในหัวใจกขาตั้งเปลี่ยนไปว่าไม่ไหวไม่พูดจริงๆนะการสอนก่อนคำว่ายากโอ้ยไม่ไหว สางวัดสร้างว่าก็ไม่เคยโทษ ถ, อ, ถอยเอาตัวเนี่ยเพราว่ายากไม่ไหวไม่พูดมันก็ผูมใจตัวนี้ด้วยมันผูมใจจริงๆรวมใจตรงไหนละ่ะอรินนอนนอนนมยมรรติปัจจัยโอ้ทำไมให้มากเหลือเกินก็เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนแล้วไม่เดือดร้อนพ่อแม่ก็ฝากมาถวายหลวงพ่อเพื่อรักษาตัวให้สะดวก ก็มีคนค่นอยนำมาผมผมใหญที่หลวงพ่อพูดว่าปัจจัยที่ย่าจมอมนามาเนี่ยมันมันไม่ใช่ของเรานะเป็นปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่ทะลุไปถึงปัจจัยสี่แต่สภาพปัจจัยวัตถุนี่เป็นบุญปัจจัยสี่เป็นเวีวันวิทบาทเสราชนะขีนานะเภสัตไปถึงโน้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างสุกโตเนี่ยเพื่ออยู่ที่ใด ถ้าเราไม่ตนปัจเจ sĩ มันจะเป็นอย่างนั้นหรือสุโกโตมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราเป็นของส่วนตัวมันเป็นปัจเจ sĩ อย่างมาเทศธรรมชาติเขาถวายเป็นแสนแฉนนะเฮ้ยไปไหนกันแฉนนี่ยทาไมไม่แบ่งเพื่อนได้โม่หลวงพ่อก็มอบไว้จานตุ้มสุโกโตมีปัญหาน้ามไม่พอน้าเดือไม่พอทำไงจานตุ่มเราต้องรับมือังนี้คนไปเยอะน้าเดือไม่พอ แค่นั้นก็ว่าปรึกษากันจะมาขนน้ำวัดปูข้าทองร่างแขนเอาโท่อทืิวดท่อมาถอดขึ้นไปหลังเขาบ่อยน้ําที่แท่งนั้นลงมาวันนี้เห็นว่าไม่ไหวเนะยถ้าเป็นอย่างนี้เอาสร้างแท่งน้ําอีกแท่งละหมื่นอยู่ชลาหน้านะก็แปดแท่งตะลาไก่ก็แปดแท่งอง๋อไก่ก็หกแท่งเป็นหลายเป็นแสนเป็นล้านแล้วเปล่าก็เลยเอา้าวฉัต้องอ้าไป เศรษาำน้ำซะอ่า น, นี่ก็บอกอาจารย์นท์ให้บอกเพื่อนไว้ว่าสุโกโตนี่ผู้ที่พอช่วยสุกโตได้มีอยู่สองสามลูกหลวงพ่อละองหนึ่งนะใช่ไหมจงศิลปองหนึ่แล้วก็อาจารย์ทุ่มพระเทพมิอาทิเล ก, กันลาบาจึงก็ไปเยียวยาเจนีนันถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นผู้เขาทองหวานกันเผือทองหวานกับถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็เป กัน เ, เราก็ภูมใจตรงที่เราทำอะไรลงไปไม่ใช่ของเราเลยเห็นร่องมือร่องรอยของเรามันภูมิใจตรงนีน้ไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราอันนั้นมันบาปทำไม่ได้ร่าบวชนะเพิ่งทำอะไรลงไปเป็นของโลกเป็นสมบัติของแผ่นดินปลูกป่ารอดร่งโลดตายไม่ใช่ของเราเลยให้เป็นของใครเดินสร้างวัดสร้างว่ารอดร่งรอดต่อ ไม่ใช่ของเราอะไรสักอย่างเลยั่นผมจะตรงนี้นี่เป็นน้ำทำเหล่าเลี้ยงชีวิตของเราปวดไม่ใช่ไปเอานั่นอันนี้อันนั่ไม่ใช่เลยเราให้ความสุขมากแลนะ้วนยความสุขไม่ใช่เกิดจากการเอาอันนี้คือส่วนที่มันชื่นใจคนจะเอาชนะตัวเองได้ก็การนำเนี่ยอะไรต่างๆที่มันพอที่จะ มองอะไรเนี่ยดีๆทำเนี่ยดีๆคิดเนี่ดนยดีๆพูดเนี่ยดีๆห้ปฏิพุทธของหมดส่วนตัวไม่มีใครรู้จากเราเอาให้ได้มากๆปฏิพุทธปฏิพุทธคือข้องติดคือภาษาวาลีมันรู้จักการข้องติดเกี่ยวข้องกับความคิดสุขภาพร่างกายหรือว่ากายปฏิพุทธห่วงญาติห่ว ง, งพี่ห่วงน้อ ง, องห่วงลูกห่วงหลานน้องสับสินสะดึงกันเลยว่าญาติปฏิพุทธ พระพุทเจ้าของเาทำไมทิ้งพินพาประศุตเราหุ่นเพียงเก็บตนทิ้งลูกโดยน้อยหนีไปเท่าทิ้งหรือเรามาคิดแบบปฏิเสธไม่ไม่เห็นด้วยพระเบร์สันดอนเนี่ยทำไมยังทานลูกทันเนี่ยไม่ใช่และพุทธเจ้าอะไรมันดีอย่างไรเรามองแบบไหนกันพระเจ้ทาทิ้งพินพาราหุ่นเนี่ยมันดีอย่างไรหนีไปบวชเรามองกันแบบไหนบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับพระเบิร์สันดอน ไม่เห็นด้วยกับสิทตฐามีใครเชื่ยมได้อย่างนี้สิทตฐาคลอดเพียงประชวดเพียงได้เจ็ดวันพิมพายังอ่ อ, อนอยู่ช่วยเังไม่ได้ทำไมติ้งกันตอนนี้มันคิดอย่างไงคิดคนละ ม, ม, มุมบางทีเราไม่เข้าใจเลยถ้าไิดแบบโผที่จัตัวไม่ใช่ก็ไม่ใช่คิดแบบสามัญชนธรรมดาสีทศฐากับพนะิน่ะเป็นโผที่จัดทั้งคู่การเกิดเจริญตาเยเป็นเรื่องที่สัตว์โลกทั้งหลาย ต้องเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้กันเกือบทุกคนต้องหาคําตอบแง่หน่งไม่เป็นเจ้าผ้าชายหาคําตอบเรื่องนี้เมื่อมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อ ม, มีเจ็บต้องมีเปียกเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายแน่นอ น, นที่สุดมองตัวมาข้ามเรื่องนเสียถะพอเห็นโอรสประสูติแล้วไม่บกพกร่องแล้มันพอแล้วรอไปกว่านี้ไปได้นานไปกว่านี้ไปได้อยู่ตั้งยี่สิบกปีแล้ว เเราต้องออกหาเรื่องนี้ได้ปรึกษากันพินพาพินพาก็อาจจะขอร้องว่าอกกันอยู่อย่างช่วยใจมาได้ขออยู่เลยสักหน่อยก่อนให้ได้แล้วเราต้องช่วยเราเล่ารักกันจริงอะไม่ใช่เรารักกันสองคนเรารักคนต้องรูหุกไม่ใช่ความรักพินพาเป็นของเราอุอพินพาของเสียธาเสียธาเป็นของมีบ้ารักกันสองคนไม่ได้เราต้องมาช่วยลูก เอาชีวิตของเราคู่นี้มาเสียสละช่วยโลกให้ไปศึกษาแล้วนโดนโดนนพระบุตรจัดไม่คิดแบบสามัญชนธรรมดาเพราะอะไรมันจะมาขวางกันได้ยากบริพ وث หรือลูกเก้าบุตรหลอนบัญญาสามีหรือไปได้เบ็นมพากเอาใช่ไหมไม่ขวางกันเลยแต่ว่าน้ําตาร่วงคนละกันจากนี้จากกันนี้ไปปวดเพราะว่าตามความแหล่เทิดแสงเึิ้มพระับปิดตอนไหนเป็นมพากับิดตอนไหน เสียถาอย่างนี้ไปบวชอาถิของวันลยาเปียมบาไม่ผิดตอนไหนไม่ใช่เลยนั้นดูถูกพระโพธิสัตว์เอามาแหละมาทําให้คนเเสียอกเสียใจอ้องให้ไปด้วยโคริสัตว์กันชีดอย่างนั้นพอพวกกคนร่วงลู่เหลากันว่าโอ้ยเห็นด้วยข้านไม่ได้เลยเปี่ยมบไปเถิดพี่ไปเถิดเสด็จพี่ไปเถิดเสด็จพี่อย่าห่วงปีนหาลาหมอนลอย แล้วผู้เถาก็มองพิมพมาลักษณะไม่ลําบากมองราหนุ่ไม่ลําบากไม่ได้ปล่อยทิ้งก็ไปเสียถาไปอยู่ก็คิดถึงพิมพ์มาอ๋อพิมพายังคําพูดจังเหลื่อหูเลยเสด็จพี่เลยเอาเลยไม่โทษถอยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออให้กลับบ้านน้อยทำไมไปบวชไปเลยทิ้งกันอย่งนี้ก็พอเก่าก็ผูกเก่าเพื่ก็มาสร้างกติให้กันอย่างดี แล้วหลวงพ่าเก่ามาบวชอยู่พังเลยพุทธญาณเดียกันมาบวชล้วบวชโอ้ยพ่อก้าเอ้ยเจ้าอยู่นั่นแหะไม่เป็นที่ดีโเเดูงเต่าก็ดีบัดเจ้านี่มาบวชหรอเขาโพชเชลพังเขาทิมเอาปะจะบวชเถอะเช็ไปซะยากเลยเขาบอสากาบสางเท้าสางเท้าเอาไปมาม่มาด่ากันเลยตัวคนเดียวปล่อยทิ้งอันนี้มันใชได้ยังไงเนะ่ยด่ากันเลยกลายเป็นบาปไป นองพว่อเขาจะท่านพ่อกล้าหนีไปอยู่อัเกอรทารีลักหนีไปเลยเขาบอกักหนีไปอย่าบอกใครนะบอกแต่ลูกชายอย่าบอกแม่นะแม่ามาดากว่าแม่จะเป็นแบบส่งนี้ไปก็ค้นเงินแบบนั่นอย่าไปคิดแบบนคิดแบบนั้นมไม่ใช่โพธิสัตว์พิมพานะสนับสนุนโพธิสัตว์พุทเสียเถรวาทเปินพุททุกขจีใจอะไรต่างๆความได้ยินทางหูจอกตัวเองนะพิมพ์พา เชี่ยเป็นบริษัททั้งคู่เลยไม่ท้ทอถอเลยไม่ห่ว ง, งพระเวชจันรน่ะทรงคณะหาจารีเข้าไปกรุงศรีพีเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าถ้ามองคนปุถุชนสามัญชนมองว่าเอ้ยทําไม่งั้นะาาอพะพอมงาาองให้คณะหาจารีม่อมไปาะปาไม่เช่นตีเลยกันทีคณะหาจารีเล่าให้ทันทีตีลูกต่อหน้าต่อตอพาพระเวชจันอนนมองอยังไง โอ้ถ้าพามโจทกไปทำอะไรกันหาจาลีจะดื้อไม่เชื่อฟังโอ้โอดใจเลยมองไปคนละท า, ทางทั้งที่โจทกจับเชือกมาผูกผ้ามาผูกเบิดจับได้ไม่กันเท่าเพราะหาซาลีรองให้ดึงมากันหาจาลีจะไม่ไปกันหาจาลีเจ็บอลองให้มีบ้างไหมแม่ตองกนันไหถ้าเห็นนังอีต่อมา นิสัยข้ามใจโพธิจัตต์น่ะมันไม่ใช่วันสามมนชนถ้าไม่ทำมาแ น, น่เดินข้ามป่าข้ามเขาเอาจจะเล็ดคอนลักหนีมาต้องให้เชื่อฟังให้ครัวโทชกแต่แน้ดีแล้วอดขั้นเอาไว้ถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่ถึงกลุงสีผิดการให้กันหาสาลีกับโูชกมีแผนอย่างดีเลยแผนอะไรงดค่าราคากันหาเท่านั้นสาลีเท่านี้ สุโจกเห็นว่าค่าราคาจะเอาไปขายที่ใดต้องเอาไปขายพระเจ้าคงสนใจแน่นอนเพราะไม่มีใครสามารถซื้อได้เลยขนาดนี้นสุซกจะเอาปัญหาซาลีเด็กน้อยไปใช่หรือให้อมิตตาใช่หรือไปตักด้ามไปป่าเวินหรือเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กน้อยนะ่ะต้องเอาไปขายเอาเงินไปย่างคนดีกว่ารวยเล่ากว่าใช่ไหมถ้าขายปัญหาซาลีได้เงนินเป็นหลายหลาย่ากินไม่หมดเลย พระเจชนรองก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปพระเจ้ากงสนชัยแต่ชชชกมก็รู้กงสนชัยคือปู่ของกนาสารีเอาไปขายตัวนะแล้วเมื่อปู่เห็นน่ะคนจุงเด็กต้นเล่ยไงเนี่ยมองดูเป็นหลานตัวเยแม่้าเจ้าทําทไงไม่ต้องเข้ามาท่านเลยก็ต้องซื้อเองเลยบะเอิญเนี่ยพระเะนนวชนรองบอกไอ้กนหาหน้าลอยสั่งห้าลอยเงี้ยหน้าลอยอะไรต่างๆพระเจ้ากองชัยเองเงินออกทุ่งเหกันมาซื้อเลย เ่าเส้อแล้วะเลี่ยงความาชกความจชกก็กินเอาอย่ า, างท้องแตกตาย <laughs> ทองแตกตายพระแม่ พ, เ, พเจ้าองค์สัญญประกาศให้ญาติของโจชุกมารับเงินไม่มีใครมารับเลยอามิตตาคือใครไปอยู่ที่ไหนเป็นคนดีไหมอามิตตาฟังดูซิคือใครอามิตตาคือไม่ใช่มิตรอ่ะมิดไม่ใช่เม็ดเลยไม่ใช่ปัญญาที่ดีเท่าไหร่ สั่งให้จุลชกไปขอหาคนมาใช้วางแผนที่จะให้จุศกหนีไปตายก็ได้ใช่ไหมไอ้เราพยายามต้องทำนะอะไรไปขออะไรว่าสุลชกไปเป็อันที่ตายคนหนีไปเลยตลอบสึบ้านไปเลยจุลชกก็หลงไปเองนอะร ท, ทีมันมาในโลกแบบนี่พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์วางแผนขณะที่ขนาจจดีอยูใ่ในป่าไม่มีบ้านก็เอาอย่างของเรีงของขวาง พราะเลี้งมาเล่นพวงมาเล่นแล้วก็นิสัยเด็กไม่ใช่มีนิสัยดีพระเวชันดรอนก็ไม่ได้ดูเลยมีแต่พิมพาพิมพาก็เข้าหาผลหมากลากไม้ในป่าปล่อยให้มันเล่นอยู่เอาสมพระเวชันดรก็นั่งมาก็ได้ไปดูแลเลยบาทีเห็นหนาสาลีได้นิสัยเหมือนฉัดก็มองโอ้มองเป็นห่วงลูกทั้งสองเราก็ถูกเนรเทศแล้วว่าอยู่ในป่าในโรงน่ะทําไง อนานะคตของเด็ก น, น้อยเป็นไงหนะาะวางเออทาไมจะให้เด็กนี่เข้าไปกรุงศีปีได้เนาะโอด้ดีสุขไปขอใช่ไหมวางแผนเลยงั้นว่าพอกลมพระเวชชันดอนเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์ได้ไหมคุมควันก็มีความรู้นะแผนทําให้สงครามเกิดแผนทําให้สงครามเลิกได้แผนให้สาเร็จต่างๆได้เหมือนกันกาใช้กูฏชนคนธรรมดาถ้ามองพระเวชชันดอนลักษณะแบบไหน มองก็เจต t ลักษณะแบบใดอย่าไปเอาความคิดเห็นของเราไปเกี่ยวข้องแม้แต่ตัวเราก็มานกันอย่าตัดสินใจตามความคิดของตนเสมอไปมองหนะ้ามองหลังดีๆกว้างใหญ่ไปจาลทะลุทะลวงช่วยการรุษทำได้เหมือนกัน